2. ทุติยคามณวัคหมวดว่าด้วยการไปที่สองว่าตะสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าลมไม่พัดเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นยีกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตราัส ถ, ถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัด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 ละถึงมีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าลมไม่พัดละถึงมั่นคงดุดเสาระเนียดไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายด้วยประการอย่างนี้เมื่อมีทุกข์เพราะถือมั่นทุกข์เพราะยึดมั่นทุกข์ทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัดละถึง มั่นคงดุจเสาระเนียดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าละถึงมีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าลมไม่พัดละถึงมั่นคงดุจเสาระเนียดไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลาย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 โหติะนะจจโหติตถาคโตสูตรที่17จบ 18. เนวะโหตินันะนะโหติสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่ เรื่องเกิดขึ้นยุครวงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ถ, ถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมันอม่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 รูปีอัตตาสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีรูปเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าหลังจากตายแล้วอัตตาที่มีรูปไม่สลายไปภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักละถึงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าหลังจากตายแล้วอัตตาที่มีรูปไม่สลายไปเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณ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 อัตตาที่มีรูปไม่สลายไปรูปีอัตตาสูตรที่19จบ 20. รูปีอัตตาสูตรว่าด้วยทิชิว่าอัตตาที่ไม่มีรูป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 ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีรูปและไม่มีรูปเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหลังจากตายแล้วอัตตา ท, ทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปไม่สลายไปและอื่นๆรูปีจะรูปีจะอัตตาสูตรที่21จบ 22. เนวรูปีนารูปีอัตตาสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตาที่มีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่หลังจากตายแล้วอัตาจะว่ามีรูปก็มิใช่จะว่าไม่มีรูปก็มิใช่ไม่สลายไปและอื่นๆเนวรูปีนาโรปีอตัตาสูตรที่ยี่สิบสองจบ23เอกันตะสุขีสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่า อัต <ao S 1> ตาที่มีสุขโดยส่วนเดียวหลังจากตายแล้วอัตตาที่มีสุขโดยส่วนเดียวไม่สลายไปเอกันตะสุขขีสูตรที่2 3จบ24เอกันตะทุกขีสูตรว่าด้วยทิฐิว่าอัตตาที่มีทุกโดยส่วนเดียวหลังจากตายแล้วอัตตาที่มีทุกโดยส่วนเดียวไม่สลายไป เอกันตะทุกขีสูตรที่24จบ 25. สุขะทุกขีสูตรว่าด้วยทิฐิว่าอัตตาที่มีทั้งสุขและทุกข์หลังจากตายแล้วอัตตาที่มีทั้งสุขและทุกข์ไม่สลายไปสุขะทุกขีสูตรที่25จบ อทุกขะมาสุ ข, ขีสูตรว่าด้วยทิฐิว่าอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุขพระผู้มีพระภาคได้ตรถามว่าหลังจากตายแล้วอัตาที่มีทั้งสุขและทุกข์ไม่สลายไปหรือภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักละถึงภิกษุทั้งหลาย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 ด้วยประการอย่างนี้เมื่อมีทุกข์เพราะถือมั่นทุกข์เพราะยึดมั่นทุกข์ทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าหลังจากตายแล้วอัตมาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุขไม่สลายไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าและถึงมีความแปรพันเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้น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 อทุกขมาสุขขีสูตรที่26จบทุติยะคมณะวัคที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวัค this คือ 1. วาตะสูตรและอื่นๆ 18. เนวะโหตินันะโหติสูตร19รูปีอัตตาสูตร20่สิอรูปีอัตตาสูตร21สรูปีจะอรูปีจะอัตตาสูตร22สเนวรนะรูปีนารูปีอัตตาสูตร23สเอกันตสุขีสูตร24สเอกันตทุกขีสูตร 25. สุขทุกขีสูตร 26. อทุกขามาสุ ข, ขีสูตร 3. ตติยะมนวัคหมวดว่าด้วยการไปที่ส 1. ม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 สุขทุกขีสูตรที่25จบ 26. อทุกขะมาสุขีสูตรว่าด้วยอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุขเรื่องเกิดขึ้นในครุงสาวถี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 อทุกกะมสุ ข, ขีสูตรที่26จบตาติยะขมนะวัคที่สจบ 4. จะจตุถะคมนะวัคหมวดว่าด้วยการไปที่สี่หนึ่ง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 เมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณทิฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัดละถึงมั่นคงดุดเสาระเนียดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าสิ่งใดไม่เทีเ่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเทีเ่ยงหรือไม่เทีเ่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้ะก็สิ่งใดไม่เทีเ่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข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 ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนวาตสูตรที่หนึ่งจบพึงเพิ่มสูตรอีก24สูตรเข้ามาให้เต็มเหมือนในทุติยวัคสุ ข, ขทุกขีสูตรที่25ห้าจบ อทุกขามาสุขีสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุขเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ถ, ถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าหลังจากตายแล้วอาตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุขไม่สลายไป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 ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะ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 มทูกขมาสุ ข, ขีสูตรที่26จบในวักก่อนมีการตอบปัญหา18ข้อพึงขยายพระสูตร26สูตรในทุติยคมภนวักให้พิดารพึงขยายพระสูตร26สูตรในตติยคมภนาวักให้พิดารพึงขยายพระสูตร26สูตรในจตุถะคมภนาวักให้พิดารทิฏฐิสังยุต 4. โอกันตะสังยุตหนึ่งจักขุสูตรว่าด้วยจกักขุเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย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 กายไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นมนโนใจไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นทำเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าศรัทธานุสารีก้าวลงสู่อริยมรรคอย่างลงสู่ภูมิของสัตว์ปรุษผ่านภูมิของปุุชนได้แล้ว ไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดสัตว์ิรชานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปฏิพลภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้ของผู้ใดประจักษ์ชัดโดยยิ่งด้วยปัญญาอย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีเ่้าลงสู่อริยมรรคอย่างลงสู่ภูมิของสัตว์ปรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้ว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 2. รู ป, ปสูตรว่าด้วยรูปเรื่องเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นสัตธะเสียงไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นคันทะกลิ่นไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่น รถไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นโภภัพฐะสิ่งที่ถูกต้องกายไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นธรรมารมไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นทำเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าสัทธานุสารีก้าวลงสู่อริยมรรค ยังลงสู่ภูมิของสัตว์บรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกําเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปฏิพ์ภิกษุทั้งหลายทมเหล่านี้ของผู้ใดประจักษ์ชัดโดยยิ่งด้วยปัญญาอย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าทำมานุสารีก้าวลงสู่อริยมรรค ยัางลงสู่ภูมิของสัปเหรษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทาแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปฏิพน์ภิกษุทั้งหลายผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่า มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้ารูปสูตรที่สองจบ 3. วิญญาณสูตรว่าด้วยวิญญาณเรื่องเกิดขึ้นในครงสาวถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกสุทั้งหลายจะขุวิญ ญ, ญาณความรู้อารมณ์ทางตาไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นโสตาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางหูคานาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางจมูกชิวหาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางลิ้นกายวิญญาณความรู้อารมณ์ทางกาย มโนวิญญาณความรู้อารมณ์ทางใจไม่เที่ยงมีความแปรผลันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายผู้ใดละถึงตราบเท่าที่ยังไม่ทําให้แจ้งโสดาปฏิพลภิกษุทั้งหลายทาเหล่านี้ของผู้ใดละถึงตราบเท่าที่ยังไม่ทําให้แจ้งโสดาปฏิพลภิกษุทั้งหลายผู้ใดละถึง จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าวิญญาณสูตรที่สจบ 4. สัมผัสสูตรว่าด้วยสัมผัสเรื่องเกิดขึ้นใน่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายจะขุสัมผัสความกระทบทางตาไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นโสตสัมผัสความกระทบทางหูคานสัมผัสความกระทบทางจมูกชิวหาสัมผัสความกระทบทางลิ้นกายยสัมผัสความกระทบทางกายมโนสัมผัสความกระทบทางใจไม่เที่ยงมีความแปรผัน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 สัมผัสชาสูตรว่าด้วยสัมผัสชาเวทนาเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจากขูสัมผัสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางตาไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นโซตสัมผัสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางหู กานสัมผัสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูกชิวหาสัมผัสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางลิ้นกายยสัมผัสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางกายมโนสัมผัสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นทาเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าศรัทธานุสารีละถึงจะสำเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าสัมผัสชาสูตรที่หจบหก รูปสัญญาสูตรว่าด้วยรูปสัญญาเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปสัญญาความหมายรู้รูปไม่เทียมมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นสัทธสัญญาความหมายรู้เสียงคันทสัญญาความหมายรู้กลิ่นระสะสัญญาความหมายรู้รส โพธภาษัญญาความหมายรู้โพธะธรรมสัญญาความหมายรู้ธรรมารมไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายผู้ใดศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นทำเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าศรัท ธ, ธานุสารีและถึงจะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้ารูปสัญญาสูตรที่หจบ